เป็นคนพุทธแต่ไม่ได้ฝึกหายใจแบบพุทธเลยไม่รู้ว่าจิตตื่นรู้ไกลๆก็มีได้และเมื่อไม่รู้ก็ยอมปล่อยเลยตามเลยให้ตัวเองหลงติดหลงวนเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันร้ายกันต่อไปฝึกหายใจแบบพุทธไม่จำเป็นต้องเริ่มไปฝึกกันในป่าไม่จำเป็นต้องลา ง, งานไปเข้าสถานปฏิบัติ แต่เริ่มฝึกกันได้ตั้งแต่ตอนเป็นโรคทางใจฝึกกันตั้งแต่ชอบย้ำคิดย้ำทำฝึกกันขณะฟุ้งซ่านสับสนเมื่อลอยไร้หลักฝึกกันตอนอยู่ในอารมณ์เบื่อง่ายหน่ายเร็วฝึกกันแม้ชอบเสพสายลมเหงายามดึกฝึกกันตอนอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานอยู่ในห้างทั้งๆ ท, ที่มีเคยรู้สึกว่าพร้อมจะฝึกได้เลยนี่หละ ไม่ว่าจิตใจย่ำแย่เหมือนเสือลำบากปานใดขอเพียงเหลือสติพอจะรู้ได้แค่กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกอยู่เท่านี้ก็ฝึกหายใจแบบพุทธกันได้แล้วตอนจิตยอยู่ในอาการผิดปกติไม่เป็นสุขให้รู้ว่าอารมณ์ผิดปกติอันวนไปวนมาปล่าประโยชน์ที่กำลังเกิดขึ้นนั้นทำให้หายใจอย่างไม่เป็นสุข สังเกตเพียงเท่านี้จะพบว่าระลอกลมต่อมาคุณจะเริ่มหายใจอย่างรู้ว่าไม่เป็นสุขหายใจอย่างรู้ว่าเหมือนมีเสือติดจันทรอยู่ในหัวแล้วเมื่อหายใจอย่างรู้ว่ากาลังมีอาการผิดปกติทางจิตอย่างไรแม้ข้างในอาจดูแย่เหมือนเดิมแต่ที่แท้คุณเริ่มมีหลักมีราวเกาะ โดือกระทั่งแสงปลายอุโมงขึ้นมาจริงๆอย่างน้อยคุณก็ไม่ยึดตัวแย่เท่าเดิมเพราะมีตัวรู้แทรกสึงขึ้นมาบ้างเมื่อก้าวแรกเกิดได้ง่ายๆก็อย่าทำให้ก้าวต่อมายากเย็นแค่ถามตัวเองว่ามีอะไรต่างไปหรือเหมือนเดิมบ้างขณะลมหายใจที่สองปรากฏ คำตอบอาจไม่น่าอัศจรรย์ใจเหมือนรู้ๆกันอยู่ว่าก็ไม่เหมือนไม่เท่าเดิมน่ะสิแต่ถึงจะไม่เท่าเดิมความผิดปกติก็ยังคงอยู่แล้วรบกวนจิตใจได้ไม่เลิกนั่นเองไม่เห็นจะเกิดอะไรวิเศษวิโสที่ตรงไหนสิ่งวิเศษน่ายินดีจะมีขึ้นมาโดยคุณไม่เรียกหา เมื่อใจคุณถูกแบ่งไปสนใจใกล้รู้ว่าลมหายใจใดจิตแย่มากลมหายใจใดจิตแย่น้อยหรือถ้าไม่แย่อะไรเลยก็เกิดความรู้สึกถึงลมหายใจขึ้นมาโดยอัตโนมัติความทุกข์ความผิดปกติทางใจทั้งหลายหายไปไหนได้นานๆก็ไม่ทราบแน่นอนถ้าไม่เข้าป่า ไม่ปลีกวิเวเข้าที่ปฏิบัติคุณอาจไม่ได้ฌานไม่ได้ยานไม่ได้มักผลแต่ยังไรเมื่อฝึกหายใจแบบพุธในที่สุดคุณจะหายใจแบบพุธเป็นและพอหายใจแบบพุธเป็นนั่นคือเห็นว่าลมกับจิตสัมพันธ์กันอย่างไรแต่และลมหายใจมีสิ่งใดในจิตต่างไปบ้าง คุณก็อาจเอาดีจากความเป็นพุทธได้ยิ่งกว่าคนในป่าหรือคนในสถานปฏิบัติที่ปล่อยใจฟุ้งซ่านหาเรื่องรำคาญใจใส่ตัวเป็นไหน